เรื่องอันตรายสิบประการสมัยนั้นวพวกภิกษุชพุียกปาติโมกข์ขึ้นแสดงโดยย่อเมื่อไม่มีอันตรายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่มีอันตรายไม่พึงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงโดยย่อภิกษุสงฆ์หมู่ใดยกขึ้นแสดงต้องอบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีอันตรายเราอนุญาตให้ยกปฏิโมกข์ขึ้นแสดงโดยย่อในเรื่องยกปฏิโมกข์ขึ้นแสดงโดยย่อนั้นอันตรายทั้งหลายมีดังต่อไปนี้ 1. พระราชาเสด็จมา 2. โจรมาปล้นสไฟไหม้ 4. น้ำหลากมา 5. คนมามาก 6. ผีเข้าสิงภิกษุ 7. สัตว์ร้ายเข้ามา 8. งูเลื้อยเข้ามา 9. กภิกษุจะถึงแก่ชีวิต มีอันตรายแก่พระม a j a ์พิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงโดยย่อในเมื่อมีอันตรายอย่างนี้เมื่อไม่มีอันตรายให้ยกขึ้นแสดงโดยพิสดาร